ในเบื้องต้นนี้ให้ทุกคนวาดตามข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิาาดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโธนึกไว้ในใจนั่งขัดสมาดิขาขวาทับขาซ้าย มือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจของเราไว้ที่ใจให้ธรรมะเข้าทางหูรู้ถึงใจเราไม่ต้องส่งใจมาที่เสียงหรือผู้แสดงกำหนดใจของเราไว้ที่ใจแล้วให้ธรรมะนี้ ไปเข้าทางทวานหูและธรรมะก็จะหลั่งไหลเข้าสู่ใจเองอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดสู้นุตตะ ส, สัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการละกิเลสทั้งมวล มีความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะอวิชชาพระองค์ได้ขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปจากจิตของพระองค์ในวันวิสาขะเพ็ญเดือนหกจากนั้นพระองค์ก็มาพิ จ, จารณาเห็นว่าคนทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เกิดมาในโลก ล้วนมีอวิชชาทั้งสิ้นมีกิเลสสามกองคือราคะโทสะโมหะมีความโลภความโกรธความหลงทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีกิเลสทั้งสิ้นแต่ว่ากิเลสเหล่านั้นสามารถที่จะกะจัดไปได้เช่นเดียวกันกับพระองค์เหมือนกันดังนั้น พระองค์จึงมิได้รีรอทรงประกาศสัจธรรมของพระองค์นั้นไปยังปวงชนทั้งหลายเป็นอันมากตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนนั้นผู้ที่สามารถกำจัด ก, กิเลสสามกองความโลภความโกรธความหลงออกไปจากจิตได้นับไม่ถ้วน ยิ่งด้วยเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรอันนี้เป็นคำกล่าวของเกจิอาจารย์หรือเรียกว่าคันธรสนาจารย์แท้จริงนั้นผู้คนทั้งหลายได้มารับลดพระัิธรรมแล้วปฏิบัติตามที่พระองค์ได้แนะนำสังสอน สามารถกำจัดกิเลสถึงซึ่งพระนิพพานพระพุทธองค์นั้นเมื่อพระองค์กำจัดกิเลสแล้วพระองค์ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเหล่านี้อีกต่อไปพระองค์สเสด็จเข้าสู่พระนิพพานหมายถึงว่ากิเลสหมดไปแล้วจิตนั่นบริสุทธิ์ จิตนั้นก็จะเข้าสู่นิพพานซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่านิพพานนางประระมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประระมังสุญอย่างพระนิพพานนั้นสุญอย่างยิ่งพระฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนกชนจึงอยู่ที่ การสิ้นไปแห่งกิเลสการสิ้นไปแห่งกิเลสนั่นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำไม่ได้ทุกคนทำได้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในวงของพุทธศาสนิกหมายถึงว่าวงของพุทธศาสนานับตั้งแต่เวลาย่างเก้าหรือเรียกว่าเก้าย่างเหยียบย่างเข้ามาสู่ วงของพระพุทธศาสนาเพียงเท่านั้นผู้นั้นก็มีอนาคตที่จะถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแน่นอนจะช้าหรือเร็วนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางคนก็ถึงเร็วบางคนก็ถึงช้าที่ว่าถึงเร็วนั้นก็โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ว่าถึงช้านั้น ก็รอบุญรอกุศลเสวยบุญเสวยกุศลไปแต่ละชาติแต่ละภพไปตามความต้องการเมื่อบุคคลผู้ที่เหยียบย่างหรือก้าวย่างหรือเอยหอเยียบเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแล้วอนาคตที่สุดถึงที่สุดนั่นคือพระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยแต่ในระหว่าง ที่จะถึงซึ่งพระนิพพานนั้นบางคนถึงจุดแห่งความประมาทเลยไปทำความผิดเช่นอย่างพระเทวทัตทำความผิดถึงทำลายพระพุทธเจ้าให้พระโลหิตห่อพระเทวทัตต้องเป็นอนันตริยกรรมจะต้องลงถึงมหาอาเวจีเรียกว่านรกชั้นสุดยอด เลี้ยววันรกต่ำสุดแต่ถึงอย่างนั้นที่สุดถึงที่สุดพระเทวทัตก็ต้องไปสู่พระนิพพานเหมือนกันที่ว่าไปสู่พระนิพพานนั้นก็โดยพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินึ่งเพราะฉะนั้นจะว่าผู้ที่ เข้ามาสู่วงการพุทธศาสนานับด้วยล้านนับด้วยโกดท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความหวังเรียกว่านิพพานะปัจจโยโหตุขอให้ข้าพเจ้ามีปัจจัยถึงซึ่งพระนิพพานเถิดหรือที่เราฟังพระท่านให้สินแล้วในท้ายสินท่านก็บอกว่าสีเลนะสุขติงยันติ ศีล น, นั่นแหละจะให้ความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีล น, นั่นแหละจะให้โภคสมบัตสีเลนะนิพุติงยันติศีลนั่นแหละที่จะให้ถึงสิ่งพระนิพพานในที่สุดก็ต้องกล่าวกันถึงพระนิพพานทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายที่เราปรารถนาและที่เราหวังไว้นั้น ไม่ใช่ความหวังที่เรียกว่าความหวังอย่างลมๆแรงๆ แ, แต่เป็นความหวังที่จะต้องได้รับความจริงไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างที่พวกเราพากันมาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เราก็มีอดีตชาติเราเคยสะสมเราเคยเป็นชาวพุทธ เราเคยได้ปฏิบัติมาแล้วนิสัยปัจจัยอันนั้นก็ได้ส่งเสริมมาให้เราเห็นถูกโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าศาสนาอื่นเราก็มุ่งหวังเข้ามาหาศาสนาพุทธทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ถูกบังคับทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ถูกขอผู้ใดที่จะมาบีบคั้นให้เราต้องนับถือพุทธศาสน า, ศาแต่ว่าด้วย นิสัยปัจจัยหรืออุปนิสัยวาสนาที่เราได้สะสมอรมมาสิ่งนั้นก็ได้ชักจูงให้เราเข้ามาในทางที่ถูกต้องแล้วเข้ามาอยู่ในหมู่แห่งพุทธศาสนาได้ปฏิบัติเพิ่มพูนวาสนาเพิ่มพูนบารมีของเราเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเหตุอย่างนี้จึงไม่น่าที่จะวิตกทุกข์ร้อน จึงไม่น่าที่จ ะ, ะพวกเราจะต้องไปมีความกังวลหรือกังวลจนกระทั่งเป็นโรคเส้นประสาทว่าทำไมเราทำถึงขั้นนี้จึงยังไม่ถึงพระนิพพานไม่ต้องไปกังวลอย่างแม้แต่สักเข้าใยบัวถ้าหากว่าเราจะพิจารณาดูในอดีตคืออดีตที่ ผ่านมาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงถึงชาดอกต่างๆหรือผู้ที่ผ่านมาการผ่านมาในที่ต่างๆนั้นมากมายบางอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรท่านต้องสร้างบารมีของท่านมาถึงสี่ถึงสี่แสนเรียกว่าสี่แสนกับหรือนางวิสาขา มหาอุบาสิกาก็สร้างมาถึงสองแสนกับอะไรทำนองนี้เพราะฉะ น, นั้นผู้ที่เยียบยัางเข้ามาอยู่ในวงการพุทธศาสนาแล้วนี้บางครั้งเราอาจจะกระทำผิดพลาดถึงขั้นที่ว่าทำควะทำาบาปทำกรรมเอาไว้เราก็อาจจะต้องไปตกนรกเราอาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ใด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระนิพพานนั่นจะไม่ถึงเราจะไม่ถึงบุคคลผู้นั้นถึงแม้จะเกิดความผิดพลาดไปในบางชาติบางครั้งแต่ว่านิสัยปัจจัยที่เราได้กระทำไว้นั่นไม่ได้สูญเสียหรือไม่ได้เสื่อมเสียตามไปด้วยด้วยเหตุอย่างนี้พวกเราท่านทั้งหลายความพยายามที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละ ศรัทธาที่มีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละที่เป็นสิ่งหนึ่งจะได้รวบรวมไว้ซึ่งบารมีหรือรวบรวมไว้ซึ่งเรียกว่ากําลังหรือเรียกว่าพลังแห่งจิตพลังแห่งจิตที่เด็ดรับทําการสะสมไว้นี่มันเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ใครๆจะเอาไปไหนก็ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนี่กล่าวให้เข้าใจถึงเการปฏิบัติของพวกเราที่ว่าไม่ต้องทําการน้อยใจหรือไม่ต้องคิดว่าเรานี่วาดสนาน้อยบุญน้อยเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดว่าแหมเรานี่ทําไมถึงไม่สามารถที่จะทําอย่างที่เราต้องการได้ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวิตกและไม่ต้องกังวลสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องให้มันกังวลอยู่ในจิตใจของเราเรามีหน้าที่ทรทมเรามีหน้าที่ทำทานให้ทานทมเรามีหน้าที่รักษาศีลรักษาศีลรมเรามามีหน้าที่ภาวนาเราภาวนาธรรมโอกาสใดที่จะให้แก่เราว่าเราจะต้องทำบุญทานเราก็ทำ โอกาสใดที่จะให้แก่เราว่าเราจะต้องรักษาศินเราก็ทำโอกาสใดที่จะให้แก่เราที่ว่าจะต้องให้เราได้ภาวนาเราก็ทำนี่ถ้าเรามีโอกาสอย่างไรมีความสามารถแค่ไหนมีความตั้งใจเพียงใดเราก็รวบรวมสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในตัวของเราและ เราก็ตั้งใจดําเนินเพื่อที่จะให้ทางสายนี้หรือเรียกว่าทางสายกลางหรือเรียกว่าสัจธรรมนี้ให้เราเดินไปได้โดยที่เราไม่ต้องเกิดความทุกข์ร้อนใจเรียกว่าเดินไปอย่างสบายทําไปอย่างสบายมีความตั้งใจให้แน่วแน่แล้วเราก็เดินทางต่อไป อโนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงประกาศพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลา45ปีเมื่อถึงวันวิสาขะคือวันเพนเดียนหกนี้เองที่ตรงกับวันที่พระองค์ได้ตดรัสรู้นี่เองที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานณนะเมืองกุสินารา เมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองเล็กไม่เหมือนกับเมืองราชครึ่ไม่เหมือนกับเมืองสาวถีแต่เมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองเล็กเลเมืองหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงเลือกเอาเป็นที่สเสด็จดับขันปรินิพานที่พระองค์เลือกเอาเมืองเล็กๆเป็นที่ปรินิพานนั้น ก็โดยความมุ่งหวังแอดโดยโดยพุท ธ, ธประสงค์พุท ธ, ธประสงค์นั้นถ้าหากว่าพระ อ, องค์เสด็จดับขันในเมืองใหญ่เมืองใหญ่จะหวงพระธาตุไว้เมืองอื่นๆจะไปสู้รบเอาก็ไม่ได้แต่เมื่อพระ อ, องค์เสด็จดับขันที่เมืองเล็กๆพระธาตุที่ยังเหลืออยู่เป็นเพื่อที่ผู้คนทั้งหลายจะได้บูชานั้น ก็จะได้มีการจำแนกแจกจ่ายกันออกไปในวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานนั้นมีสาวกองค์สุดท้ายที่เรียกที่เรียกชื่อกันว่าสุพัทธะสุพัทธะนั้นได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐแต่ก็รอแล้วรอเลอ่ารอจกนกระทั่งถึงวันสุดท้าย คือวันเพ็ญเดือนหกนี้เองสุพทธะเหว่าทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปริญพานในวันนี้แล้วเราเองสมควรจะต้องไปแก้ความสงสัยดังนั้นสุพัทธะจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันในวันวิสาขาะเพ็ญเดือนหกสุพัทธะเข้าไปนั้นก็ได้ไปเจอพระอานนท์ก่อน พระอานนท์จึงได้ห้ามปรามว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วทุกคนก็ไม่ควรจะเข้าเฝ้าแต่ว่าในขณะนั้นเองพระพุทธองค์ได้ทรงสนับจึงสั่งพระอานนท์บอกว่าอนุญาตให้สุพัทธ์เข้ามาเถิดสุพัทธ์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงธรรมเป็นขั้นสุดท้ายที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นพระองค์ทรงสแสดงมรรคแปดนี่เองแล้วพระองค์ก็สแสดงแก่สุภะพธธิกษุนันว่าในพระสงฆ์ถ้าหากว่ามีพระสงฆ์อยุดหลับใดมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อย่างนี้ พระอระหันต์จะไม่มีว่างจากโลกคือหมายความว่าเมื่อมีอริยสัจสี่และมีมรรคแปดอยู่ตราบใดพระอระหันต์จะไม่ว่างจากโลกก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงประกาศว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่เพียงแค่ห้าพันปีหรือพระพุทธศาสนาจะมีอยู่เพียงเท่านั้นเท่านี้ แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแก่ขั้นสุภัทะว่ามัดแปดยังอยู่ตราบใดพระอระหันต์จะไม่ว่างจากโลกแต่ถ้ามัดแปดหมดเมื่อใดพระอระหันต์ก็จะหมดไปจากโลกมัดแปดมีอยู่ตราบใดพระอระหันต์ก็จะต้องมีอยู่ตราบนั้น พระพุทธศาสนาถือเอามรกแปดนี้เป็นประการสำคัญเมื่อถือเอามรกแปดนี้เป็นประการสำคัญแล้วพระพุทธเจ้าตรัสแกสุภะธภิกษุนั้นว่ามรกแปดก็คือหนทางสายกลางก็เป็นอันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปะถมะเทศนาแก่ท่านปัญจวัคคีพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงมรกแปด ตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปารินิพพานแสดงธรรมให้แก่ท่านสุภะภิกษุก็ได้ทรงแสดงมักแปดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ก็ได้มิได้ทรงแสดงธรรมนอกเหนือไปจากมักแปด มักแปดจังได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนยันคือยืนยันเป็นข้อปฏิบัติไม่ว่าท่านจะเป็นคฤลือหัดไม่ว่าท่านจะเป็นบรรพชิตท่านจะต้องเอามักแปดนี้เป็นหลักของการปฏิบัติโดยแท้จริงสมดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานธรรมเทศนาคำสุดท้ายให้แก่ท่านสุภะพทะภิกษุ เมื่อท่านสุภธาภิกษุนั้นได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและได้อุปสมบทเป็นองค์สุดท้ายแล้วในที่สุดก็ปฏิบัติมรกแปดท่านสุภะก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปในเวลาอันไม่นานนักจึงเป็นอันว่ามรกแปดนั้นเราควรจะต้องทำการศึกษา เราควรจะศึกษาว่ามรตแ8ดนั่นมันเป็นสิ่งลึกลับอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรกเรีย ก, กว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปความดำริชอบดำริชอบก็คือความคิดหรือความต้องการความประสงค์หรือเรีย ก, กว่าความดำริ ความดำรินั่นก็คือดำริออกจากกรรมนั่นเรียกว่าดำริชอบสัมมาสังก ป, ปสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมมันโตการงานชอบสัมมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบสัมมาสมาธิมีสมาธิชอบรวมเป็นแปดประการ อริยสัจสี่ก็คือข้อแรกหมายถึงว่าสัมมาทิฐิอริยสัจสี่นั่นก็คือการพิจารณาถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกนั่นก็ได้แ ก, ค ก, แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวเราคือร่างกายอันนี้เกิดมาแก่และเจ็บตายร่างกายอันนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวทุก สมุทยัยนั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาในร่างกายของเหล่านี้ก็มีใจอยู่ดวงหนึ่งเมื่อมีใจอยู่ดวงหนึ่งใจดวงนี้ก็ประกอบไปด้วยตัณหาสามประการคือกามะตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหากามะตัณหาคือความใคร่ในกามวิภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นกิเลส หรือเรียกว่าตัณหาอันนี้ที่มีอยู่ในจิตใจอันนี้จึงก่อให้เป็นตัวกิเลสเอาร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานถ้าไม่มีร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานนั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตใจมันจะไม่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อมีใจอยู่ข้างในแล้วก็มีตัณหาประกอบพร้อม แล้วที่นี้ก็อาศัยร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้ประกอบเข้ามาเป็นตัวทุกข์เมืเ่อเราหาวิธีที่จะกะจัดก็คือนิโรดนิโรธแปลว่าความดับทุกข์ความดับทุกข์นั้นหมายถึงว่าเมื่อเราแก้ตัญหา เมื่อเราแก้ตัญหาได้ก็ดับทุกข์ไปทีละน้อยละน้อยจนกว่าจะหมดขนทางแห่งความดับทุกข์นั้นเรียกว่ามรรคมรรคก็คือปฏิปทาข้อปฏิบัติอันที่จะเป็นเรื่องของการที่จะแก้ตัญหานี่เองเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นวงกลมการปฏิบัติอริยสัจเรียกว่าเป็นวงกลม วงกลมนี้ก็ต้องหันมาดูไอ้ตัวตัวประสานงานตัวประสานงานก็คื อ, อร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้มีขึ้นมาคนเราหลงหลงเพราะมีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายแล้วก็มีหูมีตามีแขนมีขามีความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นต้นเหตุต้นเหตุอันนี้แหละ ที่ทานที่เรียกกันว่าตัณหาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานเราก็มองเห็นแล้วว่าขาเป็นยังไงแขนเป็นยังไงคอเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้มีอะไรเรียกว่าส่วนของร่างกายทั้งหลายแหละก็เป็นส่วนที่จะเป็นตัวประสานงานก่อให้เกิดกิเลสหมดทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านให้พิจารณาก็คือ ให้เป็นวิปัสสนาก็คือพิจารณาให้เห็นตัวทุกข์นะี่การเห็นตัวทุกข์อันนี้หมายถึงว่าข้อเรียกว่าสติสัมมาสติเป็นข้อที่เจ็ดสัมมาสติข้อที่เจ็ดนั่นก็คื อ, อเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั่นเราถือเอากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นหลัก การพิจารณากายานุปัสนาสติปฐานก็คือการใช้สติแล้เรียกว่าสัมมาสติทีนี้สัมมาสตินี่ถ้าไปเป็นสติอย่างอื่นน่ะท่านไม่เรียกว่าสัมมาสติแต่ถ้าหากมาพิจารณากายได้ก็เรียกว่าสัมมาสติอย่างที่เราไปมีสติมองเห็นเนื้อเห็นหนังคนอย่างนี้มันสวยงามแท้ๆอย่างนี้มันไม่ใช่ไอสติอันนั้นไม่ใช่สัมมาสติ เป็นมิจฉาสติไปแล้วแต่ถ้าหากว่าพิจารณาเนื้อหนังนี่มันเป็นของเปื่อยของเน่ามันเป็นเพียงศักตว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้ก็กลับกลายมาเป็นสัมมาสติเราลองพิจารณาดูในตัวของเราแล้วกันว่าขณะจิตใดที่เราเป็นมิจฉาสติขณะจิตใดที่เราเป็นสัมมาสติ ถ้าขณะจิตใดที่เราไปเห็นความสวยความงามเกิดความกำนัดยินดีขึ้นมาเมื่อใดเมื่อนั้นท่านเรียกว่ามิจฉาสติแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดเราเห็นร่างกายนี้มันเป็นกระดูกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อนั้นท่านเรียกว่าสัมมาสติในตัวของเราเนี่ยมีทางสายกลางแล้วก็ทางสายคตเมื่อเราเดินสายกลางได้ก็คือเราเป็นสัมมาสติ เมื่อเราเดินสายกลางไม่ได้เราก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติเรียกว่าสายคดอันสติอันนั้นเองเนี่ยที่เป็นปัจจัยคือเป็นปัจจัยที่จะมาทำให้อริยสัจนี่มันมีกาลังทีนี้สตินี่ท่านก็ยังมีสัมมาสมาธิข้อสุดท้ายเรียกว่าข้อแปดข้อแปดข้อสุดท้ายนั้นคือสัมมาสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้น ถ้าหากว่าสมาธินี้มีกำลังก็เท่ากันกับว่าสมาธินี้ควบคุมสติควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตได้ก็เรียกว่ามีสติถ้าหากว่าสมาธิไม่มีคือความเป็นหนึ่งไม่มีสมาธินี้ท่านก็กล่าวว่าเป็นฌานสี่ฌานสีก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจาตุทชฌานเท่านี้พอแล้ว ถ้าหากว่ายิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิไปถ้าหากว่าต่ากว่านี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาก็เป็นมิจฉาไปแต่ถ้าหากว่าทำได้พอดีๆคือทางสายกลางเขาเรียกว่าทางพอดีจิตเป็นสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตจิตนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในฌานยักจะทั่งลุ่มหลงเกินไป แต่อยู่ในสมาธิคืออยู่ในฌานสี่ฌานสีก็จะพูดให้ฟังสเสลยว่าฌานสี่คืออะไรฌานสีปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจาร์ปิติสุตเอกคตาวิตกวิจาร์นั้นคือการนึกพุทโธอ่าปิติคือความอิ่มขึ้นมาในใจเอเอกคตานั้นคือความเป็นหนึ่งนี่ปฐมฌาน พอถึงทุติยฌานแล้วตัดวิตกวิจารณ์ออกเหลือแต่ปีติสุขเอกัคตาก็หมายความว่าพุโทโธไม่ต้องนึกกําหนดอยู่แต่ใจอย่างเดียวเมื่อกําหนดอยู่แต่ใจอย่างเดียวเท่า น, นั้นจิตมันอยู่ได้ก็หมายความว่าจิตมันเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือแต่ก่อนนั้นต้องนึกพุโทโธจิตมันถึงจะอยู่ได้แต่ที่นี้ต่อมาไม่ต้องนึกพุโทโธจิตก็อยู่ได้ปีติก็มีได้ สุขก็มีได้ตาติยฌานนั่นตัดปีติออกไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาก็หมายความว่ามีความสุข เ, เคือพุโทโธก็ไม่ต้องนึกกําหนดจิตทีเดียวนี่จะมีความสุขทีเดียวเลยอย่างนี้เรียกว่ า, าตาติยฌานเมื่อถึงจะตุทะฌานนั่นความสุขก็ไม่มีอีกแล้วมีแต่อุเบกขากับเอกคตา ที่เป็นจตุทชานนั้นท่านเปรียบเหมือนคนที่ได้เงินนับไม่ท้วนเรียวกับหมื่นล้านแสนล้านอะ่ะอย่าไปนับเลยถ้าหากว่าจะเปรียบเมื่อคนได้ตติยชาญ น, นี่ก็เปรียบเหมือนกับคนได้เงินมีอยู่ร้อยล้านพันอย่างนี้มันก็น่าอิ่มใจอยู่หรอกก็น่ามีความสุขแต่ว่ามันมีมากเกินไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอุบเบกขาเอกคตาในจตุทชาญ ทีนี้ถ้าหากวามกำลังมันมีอย่างนี้แล้วมันก็มาสนับสนุนสัมมาสติแน่ถูกต้องเพราะว่าสัมมาสตินี่ถ้าเป็นมิจฉาก็ดังได้กล่าวแล้วมองเห็นรูปร่างใครก็สวยไปหมดคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยผู้หญิงเห็นผู้ชายก็รักผู้ชายเห็นผู้หญิงก็รักมองกันอยู่ไม่ต้องไปมองเพียงแต่มีมโนภาพวาดขึ้นมา วาดคือมาในจิตใจวัตถุมันเป็นอย่างนั้นเสียงมันเป็นอย่างนั้นก็เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าสติเป็นมิจฉาไปแล้วถ้าเราลึกไปอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาแต่ถ้าไม่ต้องมีอะไรเราก็นึกพิจารณาเห็นกระดูกโครงกระดูกหเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแก่และตายเกิดนิพิทยานความเบื่อหน่ายอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาเรียกว่าสัมมาสติ และทีนี้สัมมาสติมีอะไรเกิดขึ้นสัมมาสตินั่นแหละก็คือทางจะไปพ้นทุกข์แล้วหนทางที่จะไปพ้นทุกข์แล้วแต่เป็นมิจฉาสตินั่นก็เรียกว่าล่าช้าลงไปอีกแล้วเรียกว่าถอยหลังกลับไปเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลือกได้อันนี้ทีนี้เรากลับคืนมาพูดกันอีกสัมมาวาจาสัมมาวาจานั่น คือเจรจาชอบท่านทั้งหลายคนที่โกหกหลอกลวงคนที่ไม่มีสัจวาจาจะดําเนินมั่งไม่ได้เมื่อไรคนนั้นเขาพูดโกหกเมื่อนั้นเขาก็เรียกว่ามิจฉาวาจาก็เรียกว่ามิจฉาถ้าเมื่อใดเขาพูดความจริงเมื่อนั้นเขาก็เรียกว่าสัมมาวาจามันเป็นอย่างนี้ พราะฉะนั้นการดําเนินมรรคเนี่ยอย่างที่พวกเราคากันมีความซื่อสัตย์ต่อกันเจลจาไม่อย่าไปด่าเขาแล้วอย่าไปโกหกเขาอย่าไปหลอกลวงเขาเท่านี้เราก็ดําเนินมรรคเขาเรียกว่าสัมมาวาจาขณะใดที่เราไปโกหกเขาหลอกลวงเขามิฉาวาจาก็าเรียกว่ามรรคของเรานั่นร่อยหลอลงไปอีกแล้ว คนบางทีก็มาคิดว่าโอ้ยการดาเนินมรคแปดนี่มันเหลือล้นพ้นประมาณทำไมจะไปทำได้มันสูงเกินไปไม่ใช่สูงนันอยู่ในบ้านเรานี่แหละอตอนเช้าเราก็ทำทำมรคได้ทำทำยังไงทำมรคได้เราก็พูดมันจริงๆอย่าไปโกหกใครนบอกว่าฉันจะทำไม่นี่สิ่งนั้นมันไม่ดีไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นมันดีมันถูกต้องพูดเขาอย่าไปทำสิ่งที่เขาจะต้องเดือดร้อนไปโกงเขาในที่สุดกบโกงกันโกงเงินกวงคลองโก ง, อ ง, โ, กงโอ้ยโกงกันใหญ่อันนั้นเขาเรียวกว่ามิจฉากำลังผิดมรรคเต็มทีแล้วแต่ว่าผู้ใดดำเนินความถูกต้องพิจารณาความถูกต้องอะไรอย่างนี้ก็เรียวกว่าสัมมาีเป็นอย่างนี้ เอาเอาว่ากันต่อไปกีว่าสัมมากรร ม, มันโตทีนี้มาถึงการงานชอบการงานชอบนั้นเรียกว่ากายสุจริตตังจรันติวาจาสุจริตตังจรันติอะไรอย่างนี้คือการงานชอบเนี่ยเราไม่โกงคนอื่นเราทํางานก็ทำตามปกติอย่างนางวิสาขานีนท่านก็สมเร็จพระโสดาบันเหมือนกันแต่ท่านก็ทางานปกติ ท่านก็ดําเนินมรรคของท่านอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นจะเสียที่ตรงไหนท่านก็มีลูกตนยี่สิบคนนางวิสาขาแล้วท่านดําเนินมรรคยังไงมีลูกจนยี่สิบคนท่านก็ดําเนินได้ถึงเวลาที่ท่านจะดําเนินมรรคท่านก็ดําเนินได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัมมาเกตมันโตเนี่ยเมื่อใดเราไปค้าขายสุราเราไปค้าขายยาพิษหรือเราไปค้าขายโดยการที่ขู่รีด สารพัดที่จะทำให้คนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เรียกว่ากำลังทำมิจฉากรรมมันโตในขณะใดาที่เราทำหน้าที่ของเรากรงไปกรงมาจะเป็นข้าราชการอจะเป็นพาอค้าประชาชนก็ตามเราเดินของเรากรงๆทำงานเรามีเราทางานได้อย่างเป็นข้าราชการ จะเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเป็นเสมียนหรือเป็นกรรมกรก็ทํางานกองหน้าที่นั่นแหละคือสัมมารมันโตก็คือเราก็ดําเนินมั่งอยู่ดําเนินมั่งอยู่อย่างที่เราไปทําผิดครับโกงแล้วจเจ้านายเพล่เพล่ก็จับของไปขายแล้วเป็นกินสินบาทขาดสินบนไปแล้ว อะไรอย่างนี้อย่างนี้มันก็เรียวกว่ามิจฉากรรมมันโตมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเถิดว่าประชาชนคนทั้งหลายที่เหยียบย่ำหรือว่าย่ำเหยียบหรือว่าย่ำเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนานี่กำลังเดินมักทุกคนเมื่อเวลาที่ทำถูกๆกเรืยอเดินมักทุกคนในขณะใดทำผิดก็ต้องถือว่าผิดมกักสัมมาวายาโม О ความเพียรชอบเราลองคิดดูซิว่าความคนเรานี่ไม่มีความเพียรทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่างเราพากันเพียรทำสุจริตเราเพียรขุดดินเราเพียรลดต้นไม้เราเพียรปลูกต้นไม้เราเพียรทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาวายโมเมื่อไรเราเพียรจะฆ่าเขาเมื่อไรเราเพียรจะ ทำลายคนอื่นว่าอะไรเราเพียรจะไปเบียดเบียนคนอื่นมิฉาวายโม О, เกิดขึ้นทันทียิ่งขึ้นไปกว่านั้นเรามีความเพียรที่เราจะนั่งสมาธิอดทนต่อสู้อย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาเกิดขึ้นแล้วสัมมาวายโม О, เมื่อใดขี้เกียจจะนั่งมันไปทาไมนะสมาธินอนดีกว่าอ่า สัมมามิจฉาวายโาม О เกิดแล้วเพราะฉะนั้นขี้เกียจนี่อย่าไปถือว่ามันเป็นธรรมดานะมันทําให้เราเป็นมิจฉาได้ทันทีเลยมเมื่อไรเราพากันขี้เกียจก็เป็นมิจฉาวายโาม О, แต่เมื่อไรเราขยันก็เป็นสัมมวาวยายโม О, ขึ้นมาทันทีเลยล่ะเพราะฉะนั้นเ อ, เอ็มมาร์แปดเนี่ยตามความจริงแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะอธิบายให้มันชัดเจนจริงๆอะ เพามันเป็นชีวิตประจําวันจริงๆแต่ว่าคนที่อธิบายมักแปดพยายามอธิบายเลยมันสูงสุดไปเลยคนก็เลยปฏิบัติไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีเมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็เลยไม่ต้องปฏิบัติมันซะเลยทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ปฏิบัติอยู่แต่ก็หาได้รู้ไม่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ผิดอะไรที่อามาได้กล่าวแล้วว่า ผู้ที่เหยียบย่ำเข้ามาหรือย่าเหยียบเข้ามาหรือว่าได้เข้าสู่พระพุทธศาสนาแล้วนั้นพระนิพพานนั้นอยู่ข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสยัยแต่ว่าจะช้าหรือเร็วนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการดําเนินมักแปดเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่พระองค์ตัดสู้ก็มักเอ่อมักแปดตัดสู้มักแปดแล้วพระองค์สอนผันปัญจวัคคี ที่เรียกกับปฐมเทศนาก็มักแปดเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานที่พระองค์ได้เทศให้แก่ท่านสุภัททะภิกษุก็มักแปดแล้วพระองค์ก็ยังประกาศอีกว่าเมื่อมักแปดมีอยู่ตราบใดพระอารหันต์จะไม่ว่างจากโลกเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลาย มาเข้าใจตัวเองว่าเราไม่ได้ปฏิบัติมรรคแปดนั้นไม่ถูกต้องนะทุกคนปฏิบัติมรรคแปดอยู่แล้วแต่ว่าตอนใดเป็นมิจฉาก็เรียวกว่าเสียตอนใดเป็นสัมมา ก, ก็เรียวกว่าใช้ได้ถ้าหากว่าปฏิบัติมรรคแปดไม่ได้ท่านนางวิสาขาก็ดีหรือท่านพระเจ้าพิมพีสารก็ดีที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ต้องว่าราชการท่านก็ต้องปกครองประเทศ แล้วท่านปฏิบัติมรรคแปดได้ไงหรือนางวิสาขามีลูกตั้งยี่สิบคนแล้วท่านจะปฏิบัติมรรคแปดได้ไงท่านก็ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจงพากันเข้าใจเสจถิดว่าวันนี้เป็นวันที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าของเราได้ถูกเผา ผ, าผลาญนะมะกุฏ พ, พันธนะเจดี ถ้าเราไปเมืองกุสินลาเราจะไปเห็นพระสถูปที่เขาได้สร้างขึ้นไว้ว่าตรงนี้เป็นที่ที่ได้ถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมะกุะพันธนะเจดีณที่นี้เป็นวันที่เราควรจะได้หวนระลึกถึงว่าแม้แต่พระพุทธองค์ก็สเสด็จดับขันปริญพา พวกเรานั้นจะไม่ตายเป็นไม่มีอัปปมาเดนะสัมปาเดธาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลายต้องะระลึกถึงความตายอยู่เสมอเราพูดกันอยู่เวลานี้อีกไม่ช้าเราก็ไม่ได้พูดกันในที่สุดต่างคนก็ต่างตายหายกันไปแต่ว่าก่อนแต่ที่จะถึงเช่นนั้นเราพากันดาเนินมักแ8ดเสียเถิด จงพากันจำคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้ให้เราก็จะได้รับประโยชน์อันสูงสุดในชีวิตของเรา